พระองค์ก็เล่นในพระราชอุทยานในสมัยเย็นทรงบรรทมที่โคนต้นทองหลางนั้นพระองค์ก็เห็นต้นไม้นั้นก็คิดว่าในการก่อนต้นไม้นี้ก็สล้างด้วยใบใบดกนาะหน้าดูยิ่งนักเหมือนสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีต่อแต่นั้นก็เป็นต้นไม้มีดอกบานสพรั่งเช่นกับกกหน่อกแก้วประพานที่วางไว้ในระหว่างกิ่งซึ่งมีสีเขียวหน้าดูดุจทองคามีเสลก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 เธอก็ลองลองสาธยายปฏิจจสมุปบาทไว้ให้มันชำนาญให้มันคล่องเห็นอะไรก็จะเห็นปฏิจจสมุปบาทหมดอะชารามรณะเนี่ยเริ่มเห็นชาราใช่ไหมต้นไม้นี่ก็ถูกชารากระทบแล้วย่อมร่วงโรยไปดังนี้แล้วก็ได้อนิจจสัญญาว่าแม้อนุปาทินากาสังขารสังขารที่ไม่ได้เกิดจากกรรมไม่ได้เกิดจากตัณหาและทิฏฐิสร้างขึ้นถึงอย่างนั้นก็ยังถูกความแก่กระทบได้ จะป่วยกล่าวไปยัยถึงสังขารที่มีกรรมและตันหาที่ถิสร้างขึ้นเรา น, นั่นก็คือกรรมวิบากและกรรมวิชูบเราพระองค์ก็เลยเห็นแจ้งซึ่งสังขารทั้งปวงตามทํานองแห่งอนิจจะสัญญาโดยความเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอนาตตาอนาตามอะไรนะตามแนวฉะฉักประสูตรนั่นแหละ ปราะว่าโอ้แม้เราเพิ่งปราศจากเพศครหอัดเหมือนต้นทองหลางสลัดใบฉะนั้นพระองค์ก็บรรทมพระปราดเบื้องขวาตะแคงขวาบนพื้นที่บรรทมนั่นแลนอนก็ทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกภพทิยานโดยลำดับก็แปลว่าเห็นอะไรเห็นกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกบรรลุเป็นพระปัจเจกพรพุทธเจ้าเรียบร้อยในกาลนั้นพระองค์ก็เสด็จจากพระราชทาน อามาตก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชได้เวลาเสด็จกลับแล้วพระเจ้าข่าพระองค์ก็บอกว่าเราไม่ใช่เป็นพระราชาเนี่ยนะมาด้วยกันดีๆนะบรรลุไปแล้วเนี่ยนะงงเลยอะรรลุไปยังไงก็เลยถามว่าบรรลุยังไงพระองค์ก็บอกว่านักปราบละเหตุอันเป็นเครื่องปรากฏแห่งเครือขัดดุดต้นทองหลางมีใบร่วงหล่นตัดเครื่องผูกแห่งเครือขัดได้แล้วเพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรเว่านั้น ก็ตัดเครื่องผูกแห่งครื่อหัตมีอะไรบ้างเครื่องผูกแห่งครื่อหัตเช่นผมหนวดผ้าขาวเครื่องประดับระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้สตรีบุูธาสีธาตุกรรมกรเหล่าเป็นต้นเหล่านั้นก็แสดงความเป็นเครื่อหัตให้ปรากฏเรียกว่าเครื่องหมายแห่งเครื่อหัตนะก็สลัดเครื่องกระเครื่องปรากฏเครื่องผูกแห่งครื่อหัตตัดด้วยอะไรเชิตะวานะด้วยอะเรมาขยานเนี่ยนะ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 ถึงเป็นเหมือนต้นทองหลางมีใบร่วงหล่นฉะนั้นปรารวิปัสนาพิจารณาสังขารบรรลุเป็น่ารหันเลยนะง่ายจริงๆเลยนะอีกคาถาหนึ่งดีมากคาถาต่อไปนี่ขึ้นวักใหม่แล้วนะใน ข, ข้าววิสานสูตรนีมีวัละสิบสูตรนะก็มีหลายวักด้วยกันคือมีทั้งหมดอยู่41เรื่องมี41เรื่องนี้ก็มาขึ้นเรื่องที่11เนะีนะ่ยใคาถาที่11คือคาถาละเรื่องคาถาละเรื่อง8ได้ยินว่าในอดีตกาลพระประเจ ก, กบโทธทิสัตว์สององค์บวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะบำเพ็ญคตถปัจจาคาถวัรตลอดสองห 0,000 ื่นปี โอ้ยสองหมืนปีของเราจะได้สักสาเอาศูนย์ออกสักสองตัวนะสามตัวก็ยังดีคือหมายเขาว่ากรรมฐานอย่างเดียวนะห้ามอากุศลแทรกเหมือนกนก็ประพฤติอยู่อย่างนั้นนะเสร็จแล้วก็เคลื่อนจากเทวโลกคนพี่คื อ, ค, อคือหมายเขาว่าใครบวชก่อนเรียกว่าพี่ใครที่บวชหลังเรียกว่าน้องนะคนพี่เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพารันศีคนน้องเป็นบุตรของปุโรหิต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 เข้าไปถวายนับถือบูชาสหายทั้งสอง <c oughs> สหายทั้งสองนั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่าอขอไปคือสหายทั้งสองก็เที่ยวบินธบาตาพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็มาบินธบาตแต่มนุษย์ทั้งหลายคือชาวบ้านเนี่ยจัดที่นั่งอย่างดีน้อมอาหารอย่างดีไปถวายพระประเจกับพระพุทธเจ้าสองคนเนี่ยที่เป็นลูกกษัตริย์กับลูกพรามก็เลยคิดว่า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 ทีนี้บุตรปุโรหิตก็ได้ความตั้งมั่นแห่งจิตตั้งแต่เวลานั่งก็เจริญฌานทําชาญได้มีใครบอกวิธีเลยนะก็บอกให้อยู่คนเดียวแล้วมีทําให้เกิดความสุขได้นั่นแหละถูกต้องท่านก็เลยทําชาญได้ในส่วนราชบทีเนี่ยนะกระสัอยากศึกอย่างเดียวไหมมันอยากเที่ยวอะ่ะก็เลยมาหาสานักบุตรปุโรหิตมาหาเพื่อน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 เราจะเรียนความสําเร็จแห่งศิละปะนี้ราชบุตรนั้นก็กลับไปะก็กลับพอตอนแรกบอกว่าเออาศาสนานี่นะใครที่อยู่คนเดียวอยู่มีความสุขได้นั่นแหละถูกต้องเ อ, อ็นี่เรามาคลุกเคลียกันแล้วนะท่า น, นกลับไปเถอะราชบุตรก็ไปไปนั่งอีกพักหนึ่งเขาปุ้ยเบื่อแล้ะกลับมาหาเพื่อนเออก็คุยกันไปนั่งสักพักหนึ่งกลับไปคนเดียวอกีกสามครั้งผ่านไปบุตรปุโรหิตก็ส่งกลับราชบุตรนั้นก็คิดว่า ราชบุตรนี้ประกาศกรรมของตนและของเรามาที่นี่เนืองๆท่านก็เลยออกจากบรรณาศาลาเข้าสู่ป่าจริงเขาก็าแปลผิดนะจริงๆต้องแบบบุตรปโรหิตบุตรปโรหิตก็ว่เออราชบุตรเนี่ยนะมาซะเสียหายงานเราหมดเลยไม่ยอมเจริญสมถาวิปัสนาคนเดียวนี่มาชวนแต่เราคุยเนี่ยนะเ<ม>บื่อนี้ดีกว่าก็าเลยนีะะนะหนี้ไปอยู่ป่าให้ฝ่ายราชบุตรราชบุตรนะก็นั่งในบรรณาศาลาจริงๆราชบุตรก็คือเจ้าชายอะ่ะ ออกจากบรรณศ า, าลาของพอไปอยู่บรรณศ า, าลาของตนอีกครู่หนึ่งก็เลยกลับมาสู่บรรณาศาลาบุตรของปุโรหิตดูทางนู้นดูทางนี้ก็ไม่พบบุตรปุโรหิตก็เลยคิดว่าพวกนี้นะเวลาเป็นเครหอขันนำบรรณาการมาก็ไม่ได้เพื่อจะเห็นเราพวกนี้นะเมื่อก่อนนะสมัยยังไม่บวชเป็นคารวะาเป็นเราเป็นเจ้าชายนะขนาดหิ้วเครื่องสักการะเครื่องบรรณาการมาอย่างดีเราก็ไม่ให้พบ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 บัดนี้เราจะไม่เป็นไปในอำนาจของเจ้าแปลว่าเราไม่เชื่อเจ้าอีกต่อไปแล้วไอ้จิตเอ้ยจิตจากนั้นเจ้าเท่านั้นแหละจะต้องเป็นไปเป็นอำนาจของเราฟังเราให้ดีนะต่อไปจิตเหมือนกันอย่างนี้ก็กลับปืกุติตัวเองดีกว่ <c oughs> าปารอวิปัสสนาก็ทําปัจเจกโพธิญาณให้แจ้งเสร็จแล้วก็เหาะไปสู่เงื่อมเขานันทมูลกะ <c oughs> ฝ่ายบุตรโปรหิต จ, จากบรรณาศาลาเข้าป่าปรารอวิปัสสนาก็ทําให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณ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 ถ้าไม่ได้พวกแบบนั้นนะพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดพระราชาทรงละเว่นแคว้นอันพระองค์ทรงชนะแล้วเสด็จไปแต่เพียงผู้เดียวดุดพญาช้างชื่อว่ามาตังคะละโคล ง, งเที่ยวไปอยู่ในป่าแต่ตัวเดียวฉะนั้นเนี่ยนะเรกว่าถ้าได้เพื่องอได้พวกดีได้เพื่อนดีก็เที่ยวไปกับเพื่อนเถอะเนี่ยนะเขาบอกว่าเพื่อนเป็นยังไง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 ซึ่งสหายผู้มีปัญญาคือเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทําลายกิเลสอันนี้หมายความว่าถ้าได้เพื่อนผู้มีปัญญาเพึงเที่ยวไปด้วยกันงนั้นคือไปร่วมกันคําว่ามีปกติอยู่ด้วยกรรมดีก็คืออยู่ด้วยกรรมดีแม้ด้วยปฐมฌานทุติยฌานรรตาาัติยฌานจตุตฌานกรรมดีด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขากรรมดีด้วย แปลง่ายๆว่ากรรมดีด้วยรูปประชานด้วยพรหมวิหารและด้วยอรูปประชาน น, นะนี่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกรรมดีเป็นนักปราบมีปัญญาทรงจําเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความตรัสรู้มีญาณมีปัญญาเจียมแจ้งมีปัญญาทําลายกิเลสแต่ว่าถ้าได้เพื่อนดีขนาดนี้ก็เที่ยวไปกับเพื่อนเธอครอบงำอันตรายทั้งอันตรายปกปิดและอันตรายเปิดเผยให้ปลื้มใจพึ่งมีสติไปกับสหายอธิบายว่า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 ก็เลยเรียกว่าเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนพระราชาที่ละเว่นแขวนที่พระองค์ชนะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อกฉะนั้นก็เลยบรรลุเลยนะ เ, ยเดินไปเที่ยวไปเที่ยวหาเพื่อนนะนะเขาไม่อยู่คุยด้วยกับฉันบรรลุเลยโอ้เก่งจริงครอบงําอันตรายได้ไม่ฮะเขาอยากไปคุยกับเขาเ ข, า เ, ขาเลิกคุยด้วยเลยบรรลุเลยนะเก่งจริง ๆ, ๆเลย